อิรชาคตะรสาอิรชาคตะรสาอิรชาคตะรสาอิรชาคตะรสาอิรชาคตะรสาอิรชาคตะรสาอิรชา ขตระสาอิรชาขตระสาอิรชาขตระสาอิรชาคตระสาอิรชาคตระสาอิรชาขตระสาอิรชาขตระสาอิ รักชาคาตระสาอิรักชาคตะระสา